สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยดิฉันเพนสีอินทรทัตน์ออากาศอยู่ทางสถานีวิทยุ FM 92.75 เิุมกะเฮิรตวัดธรรมมงคลสุขุมวิทย์กรุงเทพนอกจากคลื่นนี้แล้วท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ ทางวิทยุเ m ฟมคลื่นพระพุทธศาสนาอีกทั่วทุกภาคหนึ่งรารายการค่ะวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาทเหตุผลแห่งวัตตดสงสารรจนาโดยพระโสพภนะมหาเถระมหาศรีสยาดอตรวจชำระโดยพระพรหมโมลีสมศักอุปสมโมแปลและเรียบเรียงโดย พระคันธสาราพิวงขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ